ธรรมะของพระพุทธเจ้ากามจริงก็ไม่มีอะไรใหม่มีแต่ของเก่าของเราที่ก็เพื่อปฏิบัติก็ปฏิบัติของเก่ารู้เห็นเต็มท้่ในจิตในใจของของเก่ามีอะไรแปลกมีอะไรใหม่มาแต่เพราว่าเราเห็นใหม่ใจว่าเป็นของใหม่ คามเพียงมันเป็นมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่เหลยอปัญหาที่มันอยู่ในจิตในใจมันก็มีมาตั้งแต่ก่อนแต่เกิดมีมาในสาวกขี่พบขี่ฆ่าที่มันติดข้องจิตใจมาโดยอํำ น, นาจที่เหลยอปัญหาอุปทานําส <c oughs> ุดเราจึงได้มาเกิดตามเรื่องของเชื่อที่มีอยู่ผู้ที่นี้เชื่อ ในทางดีม <c oughs> ีบุญมีสุขสนเดี๋สะสมบุญงานทามดีเอาไว้ทามเกิดก็อยุ่มหยุ่มโดนโดนชุงชุ้ต่ำตตามตามสี่ตัวสร้างเอาไว้คนสี่ต่ำดีสั่งเอาไว้ทามดีก็อจะแนกแจกสัดวให้ไปเกิดในสถานที่ดีมีความสุขเมื่อหมดทามดีต้อก็ตกลงมาสู่ทามชั่วเดี๋ยวจเกิดในสถานที่ต่ำช้าละมก สิ่งตัวของตัวในศาสนา <c oughs> เราเกิดมาเพราะเรื่องของกรรมอย่างนั้นแต่เราหมดเรื่องของกรรมทําจิตทําใจให้สะอาดทําจิตทําใจให้รบริสุทธิ์ภ <c oughs> พชาติของเราก็ไม่มีอีกนี่แสดงว่าเรื่องภพชาติที่เรามาเกิดมาตายกันอยู่นี้ผลเนื่องจาก ที่เหลือสัญหามาณจิตคิหรืิชาอุปาทาน ต, ต่างๆซึง่งเคยมีอยู่ในจิตในใจมาก่อนแล้วการปฏิบัติรตธรรมะการศึกษาธรรมะการทิจรารณาธรรมะกอเป็นเครื่อง <c oughs> จะชำระละาสิ่งที่ชั่ ว, วก ป, ปกปวกส่วนนี้ให้ตกออกไปจากใจของตัวแต่นั้นเมื่อจิต ของเรายังไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องยังไม่ถึงวิมุตตินิพพานจินจำเจนอยู่โดยดีที่จะต้างตั้งหน้าตั้งตาศึกษาพิจะะารณาสำราญใจถ้ามองข้ามให้มันเป็นไปเองนั้นมันก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเป็นไปตามใจเราชอบเพราะเรื่องของกิเลสปัญหานั้นเหมือนกันกับโรค ทางอากาศเราหมารักษาโลคบางอย่างมันก็อยู่ในเนี่ยในตัวแล้วฟังจะเริ่เติบโตเรื่อยไปผลที่สุดก็กระทั่งเราตายพรโลกนั้นเหยียบเบียนตายอย่างที่เดียดกันหาอยู่ภายในใจก็ทํานองเดียวกันเดือดต้นมันเป็นมากมายหลายหวงเท่าไรแวเมื่อ เราไม่ชำร า, าสาสางมันปล่อยมันไว้มันก็มากขึ้นทวีคูณขึ้นเหมือนกันกับใบไม้หรือฝุ่นผงสึ่งอยู่ในที่พักที่อาศัยของเราเชล่ยนสติหารสลาเป็นต้นถึงเราตัดกวาดอยู่ทุกวันทุกเวลากว่าตามแต่มันก็ยังมีอยู่ จำเป็นจะต้องปัดกวาดอยู่เรื่อยๆไม่อย่างนั้นก็นั่งไม่สาบายนอนไม่สาบายดูแล้วโรคตาโรกใจไม่สาบายไม่สะดวกการชำระจิตใจการพิจารณาธรรมก็ทมมาทานองเดียวกันส่องชำระอยู่เรื่อยๆเรืยังมีความคลองจิตจิตจง จิตยังไม่พ้นไปจากเรื่องของกิเลสปัญหาเมื่อไรต่อต่างใจประพฤฤฤฤฤฤฤฤิปฏิบัตตักษาเรื่อยไปเมื่อจิตสะอาดเราก็สามารถอยู่ตุดอยู่สบายเหมือนผ้าของเราสะอาดเราจะนุ่งจะห่มก็สบายบ้านของเราสะอาดเราจะนัง่งจะนอนเราก็สบาย ท, าท่าหาเจากเจาะเรา แเราจะนิ่งจะโฮมก็ไม่สบายจะไปสังคมที่ไหนก็ไม่สบายใจเพราะกลัวเขาจะลังเกียดมันเป็นอย่างนั้นฉะนันะน้นเรื่องจิตใจสะอาดจึงเป็นอย่างสําคัญสามารถที่จะป้องกันความทุกข์ต่างๆให้หมดไปตกไปเพราะเรื่องจิตใจนั้นเป็นผู้ก่อทุกข์สะสมทุก ยิ่งก่าเรื่องของใจโรคของใจยจึงไม่น่ากลัวเข่ากับโรคของใจโรคของใจนั้นนักษาหัวไปสันตัวมากเพราะถ้าหากไม่ไปฏิบัติรักษาก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะหายได้ตายไปแล้วโรคคือเจืเหลือปัญหาโรคคือความเสียช้าเสียหายมันยังติดไปอีก เรื่องโรคของใจ ย, ยาเรามารักษาในหายตายมันก็ดับไปเองสูญไปเองมันถึงที่สุดแค่ตายเท่านั้นตายไปแล้วก็ในต้องมีโรคมีภัยส่วนนั้นมาเกี่ยวข้องอีกโรคของใจมันสั้นียงแค่นั้นแต่โรคของใจนั้นมันติดต่อ ก, ก, ก่อภพก่อชาติเรยไปบาด ท, ทั้งหลายแผ่นจีงกลัว อย่างโรคห้องใจยิ่งกว่าโลกห้องใจเราทั้งหลายที่มีโรคห้องใจที่มีวิเลตัญหามาณทิศขิก็มันเกิดปาที่จะรงน า, นาทำร้าจิตของตัวจิตจิตของตัวจิตตังคันตังสุขภาวะหังจิตจิตสุก ด, ด, ด, ดีแล้วนําความสุกมาให้พาสิทธทางศาสนาสอนเอาไว้อย่างนั้นจะสุกอย่างไรจิตจึงจะดี ก็สูกด้วยสมาธิด้วยปัญญาไม่ได้ฝึกนอกเหนือไปจากธรรมะเมื่อเราฝึกไปฝึกไปใจที่เคยต่องจิตคิตจึงต่างๆก็ค่อยสะอาดไปลุดลอนไปใจก็สงบใจก็เยืนตาเห็นหูได้ยินแทนที่จะเกิดเหตุผลหลงต่างๆมันก็ค่อยเบาบางไปขาดไปตกไปเพราะใจมีอัด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 พอพูดใจเจ้าหลืครูอาจารย์ก็เป็นแก่ผู้แนะสอนให้ไม่ใช่ท่านจะมาฝึกใจแทนเราแต่นั้นโอกาสเวลาที่เราได้มารับมาวามาปฏิบัติจิตใจจึงควรตั้งหน้าสำละสะสางจิตใจของตัวที่ชั่วที่ผิดให้ตกออกใสหลุดออกใสให้จิตรู้เห็นเด่นชัด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 เป็นทุกข yeah. ์เพราะการรักษาเสียหายไปก่เสียใจเศร้าโศกมันเป็นอย่างนั้นเพราะเรื่องของจิตแต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้รับรองว่าเขาเป็นเราเป็นเจ้าของของเขาไปเอาไปกับเจ้าหน้าที่ของเขาเอาไปเท่านั้นเขาไม่ได้ยึมันว่าเราเป็นของของคนนั้นเป็นของของคนนี้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 แัต่ตาหรือยิงตอโสของเราหมดหมึกถึงจะคิดนึกไปก็คิดได้เหมือนกันกับเราเขียนไปเขียนได้แต่ถ้าว่าหมึมไม ết, กไ ม, ài, ไม่มีมันในจิตก็ได้พอเขียนเสร็จอ่านก็อ่านไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะไม่มีหมึกติดอยู่ในรู้ว่าเขียนอะไรใส่เขียนไปหมังหมักมันเป็นอย่างนั้นความคิดของท่านความปรุง th ของท่านที่ท่านเปลีจิต ในทางศาสนากับทำนองเดียวกันขันยังมีอยู่รูปหมายถึงรูปตายหรือรูปถั่วไฟคือขันมองเห็นรูปตายของขันก็ดีรูปถั่วไปในสถ า, านที่ต่างๆก็ดียังมีอยู่เสียงหรเวทนาความสุขความทุกข์ขันก็ยังมีอยู่สัญญาความจำได้ไมายรู้ ก็ยังมีอยู่สังขางความพร่؛ ง, ท, งท้องใจก็มีอยู่ยินญานความทราบเรื่องต่างๆนานาะก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าหรือสาวกยังมีอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอุปท า, านสิ่งเหล่านี้เป็นขันธ์ธรรมดาไม่มีอุปท า, านต่อไปยึดเหมือนไม่มีหมึกถึงนึกถึงคิก็นมกคิดไป แต่ใน ม, มีอะไรที่จะยึดแต่ถือในสิ่งเหล่า น, นั้นเพราะทราบตามเป็นจริงของมันจิตจิตเป็นวีมดบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เมื่อยัยงมีจิตมีขันอยู่ก็ต้องใช้มันไปแต่จะหลงไหลยึดถือนั้น เ, เดินไปไม่ได้สันจริงบริสุทธิ์อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยขันคิดอะไรพูดอะไรแทนที่ จะดีใจเสียใจไปตามคาคิดคําพูดของตัวมันไม่เป็นไปอีกเพราะอันนี้เป็นเรื่องของขันทื่ใช้กันอยู่ในโลกสิ่งที่เหนือโลกคืออะไรท่านทราบภายในของขันขันจึงไม่มีการสาระขันจึงไม่มีการบําเพ็ญเพราะสิ่งนั้นมันเหนือจากการจะสาระเหนือจากการจะบําเพ็ญที่จะเป็นไปอย่างนั้นก็เพราะ อาศัยความผาดความเพียรหลวงส่งต่อรักษาศีนบำเพ็ญภาวานาละกิเลสเรื่อยๆไปจนจิตใจถึงความบริสุทธิ์แล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรืออดีตที่หลวงมาแล้วเหมือนปีแสนปีผู้ที่ทำรายจิตจะเป็นอย่างนี้อนาคตคนที่หมดกิเลสก็เป็นเหมือนสัน ยังไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าจะทำอย่างไรอีกนี่คือการเสร็จจิตในทางพระพุทธศาสนาอยู่หรือตายมีคุณค่าเผ่าเดิมไม่มีอะไรที่จะเสียหายของเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่การไหนจะไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมีขึ้นวันนี้คืนนี้แต่เรายังไม่เห็นไม่เต็นไม่ดีไม่เด่นอย่างนั้น เราก็สงสัยพอเกิอดอะไรขึ้นมาก็นักอยากเชือว่ามันเป็นของใหม่ความจริงมันมีแต่ของเก่าความเกิดความตายก็นมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความดีใจเสียใจมันกกมีมาแต่ไหนแต่ไรความรู้แจ้งแทงตลอดนั้นมันก็มีอยู่แต่สิงเหล่านี้ปกปิดเอาไว้โดยไหนมองเห็นเด่นชัดให้ใจจึง จิตจิ้งห่องจิ้งเย็ดจึงถือจึงหลุมหลุมดอนดอนสุกสุกทุกทุกอยู่เรื่อยๆท่าหาป ต, ติบาทฝึกหัดอบรมจิตใจของตัวฝึกฝนจิตใจของตนอยู่เลยเลื่อยจิตจะเห็นจะเปลี่ยนจะดีจะเด่นจะพ้นไปจากโลกสมมุติแล้วความสุขบริสุทธิ์เป็นอย่างไรนั้นไม่มีใครที่จะอธิบายได้ พอมันเหนือสมมติขั่วไปอยากเข้าใจอยากเห็นก็ต้องแต่ทาบําเพ็ญด้วยเจวของตัวเองไม่ใช่ว่าจะให้มันเกิดมันเป็นมันเห็นมันรู้โดยไม่เด็ตั้งหน้าตั้งตาชำระสาสางตั้งหาตั้งตารักษาจิตรักษาใจของตัวการปฏิบัติเหนือมันยังมีขั่วมีดีอยู่มันก็จะต้องปฏิบัติเรื่อยไปเหมือนกับ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 การนี้บรรจงขนาดไหนท่านใหญ่โตมันก็ไม่ใหญ่โตขึ้นไปอีกท่ามจะเลิ่อนทางตายจะให้มันหนุ่มมันสาวขึ้นอีกมันก็ไม่มีทางแต่เท่าว่าชีวิตยังมีอยู่ก่อจำเป็นจะต้องดูแลรักษามันไปมีการจะทิกปฏิบัติของพรเลี้ยเจ้าผู้ที่เป็นเสียขา บ, บุคคลก็ทา น, นองเดียวกันขนยังเดินจงกรมภาวนา นยังรักษาขอวัดปฏิบัติตามสมมติอยู่แต่การกระทำของท่านนั้นไม่มีความหมายเหมือนกับคนเสีทานอาหารทานไปแล้วก็จะต้องตายก็ดทราบอยู่แต่ก็ต้องทานอยู่เพราะชีวิตยังมีีมการจะคิดปฏิบัติของท่านถี่บริสุทธิ์ก็ทำนองเดียวกันฉะนั้นพวกเราท่าน ทุกคนตี่สนใจมาประบฤติปฏิบัติก็รีบเร่งบำเพ็ญให้เห็นให้เป็นในจิตในใจของตัวจึงจะเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของสุขุมละเอียดเป็นของดีของวิเศษเป็นของที่มีค่าสูงยิ่งกว่าทุกสิ่งในโลกผู้ประบัติปฏิบัติต่อใจในอดในธรรมจริงจัง เพื่อมั่นในธรรมที่ตัวเห็นตัวเป็นไม่มีสิ่งใดที่จะ่าดีเด่นประเสริฐยิ่งกว่าอัตต์กว่าธรรมที่ตัวปฏิบัติรู้เห็นผันจึงเย็นสาบายในจิตในใจไปสถานที่ใดไม่มีภัยพอใจข้องตัวหมดภัยไปสถานที่ใดก็สุขพอใจข้องตัวเป็นสุข หีการทวมร่าใจในรับความสุขความสบายต่เศษวิเศษอย่างนี้พราพุทธเจ้าจึงแน่้สอนให้ำชำระจิตชำระใจของตัวด้วยขอวัดปฏิบัติตั้งใจกาหนดรักษาภาวนาทำความเพียรเพราะชีวิตของเรามันจะเอาแน่นอนไม่ได้ความเกิดความตายของคนไม่ มีเสียงหมายในักดกันจะเป็นทาสเป็นแนนเป็นนักปฏิบัติหรือจะเป็นคนทาน <c oughs> ไม่เอาทานอะไรก่านทานองเดียวกันถึงวันถึงเวลาในเรือกหน้าว่าหนุ่มว่าสาวว่าเด็กเด็ดเด็กแดงหรือผู้เท่าผู้แฉมันก็ตายไปได้เมื่อตายไปแล้วไม่มีคุณงามความดีอะไรประจําจิตประจําใจโคงศน ก็เหมือ น, น, นคนจนไม่มีสมบัติจะไปสถานที่ใดก็ทุกยากเข็นใจอยากขึนนั่งรถยนต์รถไฟส่งยินกับเขาก็ไม่มีเงินให้เขาก็ไมใ่ให้นั่งให้ใปจำเนจนะจจองเดินทางลำบากอยากหลับอยากนอนอยากรับประทานอะไรก็ลำบาก เพราะไม่มีอะไรที่จะซื้อจะหาจากคนอื่นเขาได้มีความทุกข์ความลำบากของตายหากไม่มีสมบัติภายนอกไม่มีเงินมีทองมีเขามีของจะต้องลำบากอย่างนั้นคนที่ตายไปกว่าทานองเดียวกัน หาไม่มีคุณสมบัติคือกรรมดีที่เราสะสมเอาไว้เราอยากจะไปสถานที่ใดก็ทุกอยาก่างเข็นใจจะไปเกิดก็ไปเกิดในสถานที่ไม่เหมาะสมเกิดในสถานที่ตัวไหนปารถนาเกิดใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีคุณสมบัติเหมือนกันกับเราอยากจะไปนอนโรงแรม ท่านเมืองดีๆแต่เราไม่มีเงนนินมีทองให้เขาไม่เข้าจำเป็นต้องนอนตามถนนร่มไม้ตามที่พอพักพออาศัยได้เท่านั้นการเกิดการตายของคนจึงสำคัญอยู่ที่จมที่เราทำเอาไว้จมนั้นเราจะทำได้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 เรามีกรรมเป็นของฟ้องตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้จิตตามกรรมที่เราทำโดยใจเรียกว่าใจยัดกรรมทำโดยวาจาเรียกว่าวาจีกรรมคิดโดยใจเรียกว่ามโนกรรมทึงเหล่านี้เราทำอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่ใช่เราไม่ได้ทาแต่กรรมที่เราทำไปนั้น เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วคนที่มีอับมีธรมมธรมมีสติปัญญาจะต้องตอรวจตาทิเจลนาเรื่องของเตัวอยู่สม่ำเสมอทำอย่างนี้จะเป็นผลยีผลเสีวแก่ตัวอย่างไรถ้าหากเราตรวจตาทิเจลนาเราจะทราบอันนี้เป็นของไม่ดีศาสตรทั่วไปคนดีทั่วไปกจำหนมิมินทาถ้าหากเขาทําแกเร า, เ, า, เ, ราเราก็เมตสาปนา กสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เฉื่อยช้าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมถ้าเราพิจารณาได้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราการทำํำด้วยกายด้วยวาจาด้วยการคิดด้วยใจแต่มันไม่เหมาะสมให้มันเป็นภัยอันตรายแก่ตัวอย่างนั้นไพรเล่ากาถนาสิ่งที่เฉื่อยช้าเสียหายมันจะต้องปล่อยวางละงทิ้งสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างนั้น พอเราทำไปแล้วเราจะได้รับามส่วนนี้เราปรารถนาไหมท้องใหม่ดีท้องไห ม, ม่เหมาะสมเมื่อเราไม่ปาารารถนาแล้วก็ปล่อยทิ้งเราไม่ทำจมที่ชั่วเสียจึงใดที่เป็นจมดีนักบาญทั่วไปัสละเสริญเยนยอคนอื่นทำกับเราเราก็ยินแย้มแจนไใสขอบบุญขอบคุณเขา เราทำต่อเขาเขากนมีความดีใจพอใจไม่มีภัยอันตรายตามนั้นได้ชื่อว่าเป็นกรรมดีจะทำเดือใจจะพูดเดือว่าชาจะคิดเดือดใจเป็นกรรมี่หน้าสำเรเสริญเป็นกรรมี่ปลาตัวไปยินดียกย่องเราต้องทำถึงแม้ว่าจะฝ่าศืนอย่างที่เหลือตันหา ภายในของเราเราก็จ้องสาหีนทำเพราะทำไปแล้วผลที่ได้รับเป็นของดีมีคุณค่าเราจึงสาศินมันทำไปเมื่อเราทำไปเราก็มีจิตใจเยือกเย็นคิดว่ากายทั้งเราทำไปนั้นเป็นสาระประโยชน์วาจาของเราพูดไปนั้น ใน ม, มีโทษมีไทยจิตใจที่เราคิดไปนั้นไม่เป็นกิเลสการหายนเราตรอดพิจารณาดูเพียงแค่นี้ว่าไม่มีอะไรที่ฉกประปกุกไม่มีอะไรที่เป็นที่เป็นไทยใจมันเก่าเย็นใจมันก็สบายนี่คือการตรวจตาพิจรารณาแก้ไขไล่สิ่งที่ชั่วออกไปจากตายจากใจของตัวสิ่งที่ดีสะสมเอาไว้ให จิตใจได้รับความสุขความสบายนี่คือการภาวนาการศึกษาจิตใจของตัวเพื่อดีอย่างไรเราเท่านั้นจะทราบคนอืน่นไม่ใส่จีค่าพระจะมารักษาใจให้เราเราเองจะต้องรักษาใจของเราถ้าต้องการดีพ็ต้องละทิ้งทิงทีง่ชั่วที่เสีย ถ้าต้องการในจองการชั่วก็อย่าไปทำชั่วเพราะชั่วถ้าเราไม่ไปทำมันก็ไม่มาจิตเี่ยนในจิตในใจของเราเราไปสถานที่ใดเพราะเราไม่ได้มีความชั่วในกายในใจของเราเราก็ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษในกลัวคนนั้นจะตำหนิมินงทาในกลัวคนนั้นจะจับกุมคุ ม, มตัว ถ้าเราไม่มีชั่วจางาพาเผยอยู่ในปัจจุบันก็ะสะดวกสบายไ้ทางหน้าก็ะสะดวกสบายเพราะจิต ข, ของเราสะดวกสบายจนปฏิบัติไปถึงที่สุดวิดมุดแล้วตอนนั้นใน้องพูดกันพอมันหมดสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างไปว่าใจควรทำอย่างไรอีกครูชาจะมีหรือไม่ เราเข้าใจในตัวของเราเองเพราะทำเป็นสันติสุขโกเขีนเองในจิตในใจของตัวเป็นอากาลิโกไม่มีการมีเวลาทำเวลาใดถอ้ใจเวลาใดความดีและความชั่วมันจะประชับอยู่ในกายในใจของตัวทำชั่วไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินหนังนอนสื่อับที่แกฉนั่นก็เป็นชั่วอยู่ตลอดเวลาถ้าหากจิต มีสติมีปัญญายิ่งกัวเรื่องความเชั่วยิ่งกลัวสิ่องอื่นจะคิดจะพูดจะทำสิ่งที่เชั่อนั้นละอายขยะขยแหยงเหมือน ก, นกันกับคนที่มีล่างชายสะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวดีแล้วจะไปสู่สถานที่สกรปรกไปจับต้องสิ่งที่สกรปรก ไปแยแครถามถึงที่สโสกปกไม่ยอมเพราะเหตุใดเพราะสิ่งนั้นจะถูกตัวของเขาจะถูกเสื้อผ้าของเขาเพราะไม่ยอมไปแตะต้องคนดีมีสติปัญญารักษาจิตก็ทําทนองเดียวกันสิ่งที่ชั่วที่เป็นที่เป็นไทยปสโกโปกสโสมมนั้นท่านไม่ยอมทํายอมพูดยอมคิดไปเพราะคิดทําพูดไป ขั่วนั้นก็จะมาจิตจิตใจของท่านใ ห, สาสาให้ได้สำาระสาสางให้ได้รับรับความลำบากท่านที่นี้พี่เจรณาอย่างนั้นเกียวของพวกเราท่านมีโอกาสเจลาที่จะพี่จเจรณ า, าสำาระจิตใจแก้ไขตัวเองไม่ ใ, ใช่ว่าเราหมดอำนาจราชนาไม่ ใ, ใช่ว่า เราอาภัพอับปัญญาทุกคนถ้าหาที่นิธิจารณาต่างหน้าต่างตากาหนดจิตของตัวจะทราบดีสิ่งที่ชั่วที่เสียตัวดีสิ่งที่มีสาระประโยชน์กว่าดีจะทราบเพราะจิตไปสัมผัส ก, กับสิ่งนั้นนั้นเย็นมันก็รู้ร้อนมันก็รู้เหมือนกันกันกบกายอ่อนมันก็รู้แข็งมันก็รู้ เพราะมันสัมผัสจิตใจของเราฝูงกว่าพื่ปฏิบัติกว่าทานองเดียวกันถ้ามันสัมผัสในอัดในทามันก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนึกคิดอะไรกปอดป่งสว่างสวัยถา้าจิเลตันหาขอบำําดจิตใจอยู่สถานที่ใดคิดอะไรมันก็มืดดำเป็นทุกข์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 แต่มันพูดไม่ได้มีการประชดประจีบัดของพวกเราทั้งหลายกะทานองเดียวกันถ้าหากปฏิบัติใจจิตใจไปสัมผัสกับเรื่องอดัดเรื่องทำ ม, มันก็จะต้องทราบจิตใจที่เกิดทิ่เหลือปัญหามาณทิดิขึ้นมันก็จะต้องทราบพอมันได้สัมผัสเหลยตัวขลองตัวเองดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นเรืเ่องสําคัญ ทุกท่านจะต้องเห็นต้องเป็นในตัวในใช่ว่าจะไปเสือตำลับตำลาอย่างนั้นอย่างพอมันเห็นมันเป็นในตัวคนอื่นไม่รับรองให้เรา่ารับรองตัวขอเราเองพอเราเห็นเราเป็นนี่การจะทำบําเพนทางศาสนามีคุณค่ามีสาระอย่างนี้ทุกคนมีสิทธ